มีทางเป็นศานะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นศาสนาเป็นอยู่อันหน่พิสุพวกใดเอ็นผู้ใช้สิทสิ์ขาวพิสุจพวกนั้นจับอยู่ในสถานะอันเลือที่สุดแรอาความขาดสูงแข็งแต่ในยนวรตยนี้มีในยุคแห่งบุรุษใหญบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรรษ่คอน แผนบุรุษทั้งหลายเรมขอกระยำกระเชิว่าเถอนทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยกระยำมรการน์สุดท้ายจากฤาษีสดจิตประโจะรับรักประการงคดุกจากความศิษย์ของารทุกท่ทกา ก, ก ร, ระยำมัดกยันนำมาฉาก c า v e r เรียนด้กยแลสวัสดีเพื่อนทั้งนั้นนะ วันนี้ก็นับเป็นโบบนอกาสดีครับอีกครั้งที่เราจะได้มีโอกาสได้ฟัทงทํานพุทธวจะนะธรรมพิจากรนะคะเ่งของงข อ, งอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องพุทธวจะนะแก้กรรมในแบบต่อไปท่ก็จะขออนุญาตพระพุทธเจ้าได้ิดให้บางแกค คง อ, อยากให้พวกคุณได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยฟังพวกเราเป็นชาวพุท ก, กันก็คงสร้างคำสอนของพระศาสนาแล้วระดับหนึ่งในบางรุ่นที่อาจจะ ก็จะเห็นว่าทราบยังไม่ละเอียดเรืซื้อารายนี้เราก็จะได้รู้ได้มากขึ้น <c oughs> เรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ความท้าทายความท้าทายอือ เป็นสิ่งที่บุคคลคนสราบอยู่บ่อยๆอันดับแรกต้องรูง้ว่าอะไรที่กับจำสามารถนิยามคำพูดคำว่าจำได้ตรงไ้ปๆนิยามคำพูดที่สมบูบรณ์เลยก็จำคืออะไร รัตฐานกำหัดว่าเราเล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมยังต้องจำอดเจตนามันจะได้รู้ว่ากรรมคืออะไรกำหนดว่าเรากล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรร ม, มเจตนาเป็นตัวกรรม เ, เกิเกิดของกรรมคือลายเกิเกิดของกรรมคือพักษาและความดับของกรรมก็คืออัฒนาสัมผัสทางตา เกิดขึ้นทุกมิจฉาเกิดสัหรับทั้งต า, งตางงกรกำสั ม, มัสมทั้งหูเกิดกำเกิดสมผัสทังดำกำดำเดี๋ย ไ, ได้กลิลกมกำเกิดลินดำไปไปรู้ลดอีกนะี่กำรมจ ม, ม, รมิกับกำที่ลิมเกิดเราตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้เรานับกรไว้นับไม่ไหวนะโยมคนมันจะสแกนกำไว้นี่เป็นนับเม็ดฝนในมหาสมุทรนะ มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงบอกว่าพระองค์ผู้เดียวกำลังพิจารณาที่ดูเรื่องีอย่างถูกต้องละเอียดแลมีข้อติดปัหาดังนั้นพระองค์จึงในัุกนานางสือว่าเกิดขึงหมาเี่ยอยาได้อยาได้ชอบประมาณหนึ่งคนและอยาได้ถือประมาณหนึ่งคนเราต้องถือประมาณหนึ่งคนย่อมทาลายคุณพิเศษของตนเราหรือที่เหมือนเราเทั หรือประมาณหนึงคนการไปประเมินตรวจสอบตางสินบุคคลไปกรรมใดมีแต่พระพุทธเจ้าหรือเก่งคำพระพุทธเจ้านอกจากนี้นนทำไม่ได้บอกว่าน้นอยไปทํา <c oughs> เรื่องที่4ี่เกีเ่ยวกับเรื่องของกรรมคือเวมันจะไปกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในกกในรกจำเนจรชานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลก บางเกี่ยวกับเรืวิบาสของกรรมว <c oughs> ิบาสของกรรมที่พรเจ้าต้องการพวกเรารู้เนี่คือวิบาสในระดับของเวลาคือวิบาสที่ส่งผลในปัจจบุบันเวลาทำมาและเวลาคือจะทําบรรในปัจจุบันที่ประพฤตชั่เวลาทำมาอภรณ์ปริญญงเวลาสำหรับวิบาสของกรรมในแบบที่ว่าใครทําอะไรก็ได้ผลอะไรตรงนี้มันจะจัดอยู่ในอนจินพอะร การนั้นวิบากันจะมีสองแบบแบบที่เรื่อยๆเน้เนสายที่เวลากับเรื่องเหตุการกระทํารืร่องเหตุการการะทํานี่ยผู้้าบอกแยกิจิตนะเป็นหนึ่งในอจิตไต่สี่อย่างคือที่สัยของผู้เจ้าที่สัยของผูเ้เดินทางเรื่องวิบากของกรรมและเรื่องของโลกสอยา่านงะจะมีส่วนในความพิติลาทีน <c oughs> ี้วิบากของกรรเนี่ยที่ให้ผลในปัจจุบัน เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยทำให้สิ่งที่จะเกิดในปัจจุบันเนี่ยมันได้ผลเราไักจะได้ยินวิบากของกรรมที่เป็นเรื่องไม่ดีที่จะส่งผลในปัจจุบันห้าอย่างคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่ออาชีพฆ่มผู้จ้างแล้วก็เรื่ององทรงที่แตกแยกเรียกว่านันตฤทิ์ครับแต่วิบากฝ่ายดีที่ส่งผลในปัจจุบัน มีใครทราบไหมยี่บา ท, ที่ส่งผลในปัจจุบันฝายดีส่วนใหญ่เราสร้างเป็นไฟเร็วนะไฟดีคือการทําสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานปิยฌานปฏิยฌานจะไปถึงอาการสารนันจารถนะปัญญานันจารถนะอากิจจานันจานาเนวสัญญาสัญญาใารทำสมาใใรรรรมธาิ8 ร, ร, ร, ร, ร, ร, ระดับนี้ท่านใดทั้นนึ่งเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบัน วเวลาใครอยากจะมีชีวิตดีๆในปัจจุบันจะได้แล้วก็ส่งผลทันทีเลยนะอาจะได้สร้างเหตุให้ถูดต้องก็คือเราต้องทำสมาธิอ <c oughs> ย่างสุดท้ายเรื่องที่กเกี่ยวกับเรื่องกัรที่บุคคลก่อสร้างคือยีแก้กรรมหรือดับกรรม ก็จะฐานคดกับว่าอริยสัจฐานพิฆมภะนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาฐานไม่มีปฏิปทานปฏิปทานที่ความดับไม่เหมือนกับกรรมะนิโรปฏิปทานปฏิปทานที่ความดับเหมือนกับคืออริยประเสริฐอัฏฐานคือแปดพิฆมภะคือคุณารรมมัณฑ์แปดอันประเสริฐเป็นวิธีดับไม่เหมือนกับ ไม่มีีื่ดังนั้นเราจะไปบนบานสารกลาวสตอบข้อดูเลิกยามเปลี่ยนที่เสียงเรียงนาเปลี่ยนประตูบ้านหน้าตาต้ น, ตนไม้ต้นไล่ไร่ไม่ได้ผลไม่ส่งผลอะไร <c oughs> แต่การกระทำทางกายวาจาจิตเราตามของทางหรือข้อปฏิบัติแย่เงีย เป็นยดีให้กรรมของเราที่สร้างมาเป็นแสนเป็นล้านชาติจะตัดไปได้นี่เราทราบว่าศาสนาของเราบัญญับอย่างนี้นะที่สองอย่างนี้ดังนั้นถ้าใครใครไ ม, ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้นะหรือไปเดินตามความเห็นของสมณครามเราอื่นหรือความเห็นผิ่ คนนนั้นกำลังเข้าสู่นิสัยที่ดในเรื่องของกรรมซึ่งผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันบุคคลจะเข้าสู่นิสัยที่ดในเรื่องของกรรมเสี่ยงหึ่งเขาจะคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นใดอย่างที่ 2. องเขาจะคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองมันดับอย่างที่3ต้องจะคิดว่ากรรมเกิดจากท่านตนเองนะผู้ อย่างที่สี่เขาจะคิดว่าการรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆดูประสากสาเหตนสี่ 4, ความเห็นนี่เป็นวิชาที่ผเตอนนี้เมื่อ <c oughs> เราเข้าสู่วิชาที่ผีว่าการรมเกิดจากผูปมันดนันสิ่งอี่นันดนันการบ่งบาลสารกล่าวจึงมีขึ้นในึ่งพผู้ที่เยศึาทห็นเราจะคิดว่ามีรูปปัน้นรูปหลอมโดนมันดานอะไร มีก้อนศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีน้ําศักดิ์สิทธิ์บูชาไฟบูชาดวจานทบูชาดวงอทิศดวง ด, ดาวส่งผลให้เรากิปานปลาทากเลยทีจะหาที่พึ่งหาที่ยึดไปสารพัตแบบนะอินียก็เดินลงน้ำเลยเปลียยนทุกตัวเลยไม่ใช่คำเดียวหแบบวารสารครับเขาก็คิดว่าน้ําจะทําให้คําบริสุทธิ์ส่วนพวกเชื่อไปมันก็ไม่เดินลงน้ํา มันจอบนะ้ไม่มีผนมันจะบูชาไฟนะเห็นไหมเขาคิดว่าไปมีผลชัน้นวิสโอนีพุณเจ้าเดินไปเจอชั้นวิสโอนีป่าคุณเจ้าก็ถามชั้นสโอนีเธอทาอะไรเหรอชัน้นวสโอนีก็บอกว่าข้าพเจ้ากทำงานเราทำที่ดีปัจโจโรดีตามแบบของสมณปราชญ์คุเจ้าก็บอกว่า พิธีของเธอทำอยังไงครับ<ม>เขาก็บอกว่าเอาน้าโอมซ์วนมาล้างก่นดะตย่างสีเดียวนะแล้วก็ปอกไฟขึ้นเลี้ยงอาหารคาวหาวานแก่สมนัามทีบานแล้วก็โดนปลที่ดีคาของปลงาข้าขอเป็นปลาปาหแล้ว<ม>เขาเชื่ออย่างนี้ชาวคุณเราเชื่อไหม <c oughs> <c oughs> เา้าพยายามถาม พระบุตรเจ้ลท่านโคโดมล่ะท่าน โ, โดมมีวิธีลงบาทรยังไงมีไม่ปัจจรวงมีไหทุ่ท่านเขาบอกมีเหมือนกันนะปัจจรหิมีของเราก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือการเห็นอริสสีตุสุภิโรตมรนสัมมาสังกัปปะที่ถูกต้องคือทิฏความคิดสุวนกางในบาตรเดียดว่าจารถูกต้องไม่ผูกโง่ทําย่างปเจสองส่นะการงานถูกต้อง ไม่ค่าสัตว์ไม่รักสัตว์ไม่ประพฤติผทาการอาชีพถูกต้องเลียชีวิต้วยาการให้เดือดจะบูชาอะไรก็ตามแคะแก่ไก่กกสุกรช้างโคมาต้องไม่ล้มตายอยากบูชาก็บูชาไปแต่อย่าให้สัตว์ลงมตายมีความเพียรที่ถูกต้องคือเพียรละอัุส่นในจิตเพียสร้างุสขึ้น ม, มีสติที่ถูกต้องตั้งจิตไวในกายิตนา และมีส Vietnamese ัมราสมาธิที่บุครอข้อปฐมฌานทุติยฌานกับติยฌานจตุติฌานฌานอิสโระนีราะโอ้โหวิธีของผู้จ้าร li> ู้สึกว่าละเอียดละออกมาของเขามากนี่ก็เป็นแบบหนึ่งถึงแม้จะฟังผู้เจ้าให้ทำมาแต่เขาบอกฟังแล้วก็ทุกทีทุกีแต่เขาก็ยังทำของเขาอย่นะเขาไม่ละเลยจะมีบางท่นที่ ฟังแล้วเข้าใจเราละเลยบางพวกฟังแล้วเข้าใจ แ, แ, ใจแต่ไม่ลกเลยของเรื่งของตัวเอน ะ, นะอะไรที่ตัวเองยังยึดอยู่ก็จะยึดไปไว้ดินนั่นยะึดไปก่อนแต่ฟังดูของเจ้งก็ดูดีน ะ, น ะ, นะก็เริ่มสายอยู่แต่ใช้ได้ใช้ได้แต่ตัวเองไม่ละเลย <c oughs> แต่บางคนบางคิพาทบบางค น, งนอินนักเลยอย่างโคชดินสาวพีน้อเพื่อเจริญศาสนาให้ธรรมะ ก็เล่อเลยนะการที่ตนเองเคยบูชาไปบูชาเส้นอะไร เ, เลิกชออะโงงชะไดของตัวเองโดยสายโยนที่ลอยน้ำไปเลยนะมาบวชกับพระพุทธเจ้าลกความเห็นธรรเห็นไหมว่าศรัทธามีนิยาความคืนสติสมาธิปัญญาของคนไม่เท่ากันนะนะดังนั้นความเป็นอริยบุคคลของคนจึ ง, นงแตกต่างกันที่อินทรีย์ ศรัทธาวิื่อยสติสมาธิปัญญาเพราะความไม่เท่ากันขอ ง, งสินทรีย์ทำให้บางคนมันบรรลเร็วปรรลุชาท <c oughs> ี่เป็นวิชาที่4แบบที่หนึ่งที่ว่ากรรมเกิดจากผู้อุนมดาจึงมีการข้อมรุ่งชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งคูณช่างบอกว่าถ้าการห้อมรอนมันสําสำเร็จ มนุษย์ในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรคนระับทุกคนอ้อนวอนเป็นนใช่ไหมแต่รั า, าก็อ้อนวอเป็นโยก็อ้อนวอนเป็นไม่ต้องสร้างเตอะไรวันนี้ไปออนอที่ใเรียบร้อยซึ่งมนุษย์ในโกจะไม่มีใครสื่อจากทุกคนจะรวยหมดสาเรตจสมเหตุประโยชน์นี่คุณจ้าตอบไม่านกับพู้สมนาทางทุ่คิดวการอ้อนวอนได้ผลคุณเจ้าไม่ต้องสร้างเหตุที่ถกต้อง ต้องกลับมาสร้างเหตุและต้องเป็นการสร้างเหตุที่ถูกต้องด้ว <c> ย <oughs> รัตนาเขาถูกต้องมาเศษเหมือนดูต้องการน้ำมันดูมีต้องการน้ำมันเขาก็อยากสร้างเหตุอยากได้น้ํำมันแต่ก็เอ า, มาเมล็ดทรายมาเกียลงในลําปากโผล่หนาแล้วก็เอามูทำเมเล็ดซรายได้น้ํามันได้ถึงจะปราบขนาดแค่ใดขนาด ตาก็ไม่มีการได้แต่บุรุษ อ, อีกคนหะนึงเนี่ยเอามือลิ้นน้ำมาเกลี่ลงใปากปากพงน้ำแล้วก็เอาเมือทานนะบุรุษคนนี้ก็ได้น้ําหมันเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องถึงเขาไม่ปรารถนาจะได้น้ํำมันแต่ทั้งมือเขอหยัดคันมือิ้นน้ำอยู่เขาก็ต้องได้น้ําหมันโนะยมไม่ปรารถนานิพพานเลยแต่ปฏิบัติมั่งแต่สิสมารถปัญญาอย่าง ย, ยิ่งโยมนิพพานแน่นอะนแต่ถ้าโย ม, มปรารถนานิพพาน แต่ยงไปปฏิบัติข้อปฏิบัติแบบอื่นยวจะไม่ได้ผ่านไม่ได้ความคนทุกข์ไม่เห็คนจากความแก่เสื่ตายดังนั้นเราจึงมาพูดเป็นเรื่องสัจจ์ความจริงดังนั้นพุเราจะนะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายนะแเป็นเรื่องความจริงที่จริงเป็นเรื่องสัจจ์สัจจ์คือความจริงถ้าเป็นความจ ร, ริงสะกลารเป็นโกหกถู่ต้องตรงจริงธรรมาติ ทราคืออะไรบ้างเนี่ยในขันท่าเมีใครสร้างไว้ก็ส่วนไหนเป็นส่วนของกรรมในข่ตรวจสอบความนิชัยที่ทำท่ามีอะไรเป็ตัวกรรมกรรมอะไรนะเมตตาสัญญาสังขารมิญาติอ่อ เกิฑ์อะไ้นเกินเด็กตะกนกลที่เป็นกลา่มขอกรมมีสี่ธาตุนักศึษาเขาบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ตัวนี้เป็นกรรมนะวิญญาณเปลยเหมือนเมล็ดพืชกรรมเปรียนเหมือนพืหนาพืชนาคือตัวสีธาตุนี้พืชนาคือตัวสี่ธาตที่วิญญาณเปลี่ยนเหมือนเมล็ดพเปลอไปตกนะก็คือพืชตกในสีานที่ว่ามีกรรมเป <C oughs> ดังนั้นรูปตัว่างา่อได้ไสองเหตุปัจจัยผู้ช่าบอกอยาในพูเปลียบเหมือนกุราัก ร, รรมหรกรรเก่าแล้วก็ได้ปีนาที่มันปลีตไปมันเป็นนวกรรมหิกรรมนดังนั้นรัวจะโตขึ้นมาด้วยกุรณกรรมลแล้วก็นวกรรมทั้งสองอย่างโตกันนะีและผู้ช่างแบ่งปนาในอีกสูตหนึ่งเป็นสาระดับ คืนนาเรีวพืนนาปานกลานาีแค่นดังนั้นเวลาคาของพระเจ้าแม้แต่ปุโรหิตเปลี่ยนไม่ได้มันจะมีผลุดนันเป็นแห่งดีืนาสามอย่างเ่เป็นยังไงพืนนาเรวคือพนาพวที่ได้อัตภาพที่ประกอบด้วยมหาุจค่อย่างพวกเราเรียกพื้นาเรียวมีทั้งเมลชานูปเป็นทุสัยมนุษย์นะพืนนาเร ก็คืนาดีเนี่ยเป็นปุ๊บที่กายที่สำเร็จด้วยใจใจในวันนีดได้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมะีสีมีสัมเสร็จปุ๊นาดีก็คือปุ๊บที่ได้สมาธิตั้งแต่อาการสารในาวเย็นตะนาที่ไปปุ๊บนี้จะได้อัตตาที่สมเร็จด้วยสัญญานะไม่มีรนะูดังนั้นนี่คือขีดนาสามระดับนะและขีดนาสามระดับนี้พนะระองค์ก็ อีกอย่ญญางว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณอีกสูตรหนึ่จะอธิบายวิญญาณทิฏฐิคือตัวสี่ธาโย่ไล่มาไล่มาไล่มาดังนั้นสี่ธาตุก็คือตัวกรรมนะต้องรู้หลักระสือนิดหนึงนะนี่คือทุกอย่างเนี่ยจะตอบทุกอย่างในโลกมนุษยอยู่ที่เราเนเข้าไปศึกษาไหมว่าเราจะแกะธรรมะทุกอย่างไปหมดหรืออะไรคืออะไรอะไรเป็นอะไรกรรมคืออะไรมีกิ่อยาณแบบไหนอย่างไง รูปสารภาพที่อย่างไรบ้างการเกิดตายเป็นอย่างไรเรจะเข้าใจมดนะังนั้นทั่ว่าจะน่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเป็นเรื่องจิตเรื่องแท้และโยงใหญ่กันนะผู้เดียวที่ขอาคูม่มือการเรียกันตลอดชีวิตสี่ิบห้าปีคืออาจารย์สัมมาสัมพุทธะนอกจากนี้ป้าเองก็ในหะ้เราทราบว่าการดูตัวสี่ห้ วิญญาณเข้าไปเกาะรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสัญขลังบ้างขณะที่เข้าไปเกาะทุรีกรรมขณะที่วิญญาณดับก็คือกํามดับวิญญาณเข้าไปเกาะใหม่กลรมเกิดวิญญาณดับใหม่กลรมดับทุกขณะแห่งการเกิดของวิญญาณคือกรรมเกิดทุกขณะแห่งการดับคือกรรมับโอ้โหแลวิญญาณเกิดดับมากมายวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสเป็นล้านนะเยอะแยะมากรับกลับไม่ทัววนี่เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ แล้วนั้นพิธีที่จะแก้กรรมหรือดับกรรมก็คือเมื่อบรญญาเนี่ยไปสร้างการเกิดกรรมปุ๊บไปกกอะในครั้งใดคํั น, น, น, นสี่ครั้งพระเจใมีประจายให้มีนแยกให้มันดัดบเปเรื่อยๆนะที่พระองค์บอกว่าพระเศษขั้งหลังเธอต้องยุต้องไม่กาะต้องความทิ้ ง, ง, งไม่คืบเอาต้องทำให้ประจายไม่ทาให้จมกอไม่ทาให้มาไม่ทาให้ลบ ความวิญญาณมันเป็นกองขันได้กันเนี่ยต้องกระจายมันกอนต้องคว้านจริงมันนะต้องยุบมันนะอย่าก่อมันขึ้นมาะอย่าทําให้มันเป็นกองนะอย่าทําให้มันลุกลงต้องทําให้มันมอดกระจายวิญญาณงานรูกออกไปวิญญาณงานลูกเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนันก็คืกจิตของเรานั่นเองจิตของเราเนี่ยสร้างอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้ น, นวันๆโยกเดินไปเดินมาหรือนั่งที่ไหนก็ตามจิตเพื่อหาดินขณะกไปสู่ทุบกลับมากายองค์เกิดดำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยภบชาตาิชรามนั้เกิดเป็นตลอดไปเลยเพราะองค์ทึาบอกว่าเมื่อเธอคิดเรื่องไรขึ้นมาก็ตางให้รีบลบให้ไหวที่สุดเพราะการคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งคือการสร้างภพภพคือสถานที่เกิดของจิต จิตเกิดกรรมหรือจิตเกิดอกอันเดียวกันจผู้เจ้าผูกปรมาอธิบายเรือ่องอกอันเดียวกันก็คืออเกเป็ดเหมือนขลนาวิญญาณเป็ดเหมือนมะเล็งพื้นเห็นไหมวิญญาณมามาเหมือนมะเร็งพ้นหรือว่ากรรมเป็นขลุนนาอีกนะอันนี้อเกเป็ดเหมือนขลุนนาเห็มไหมนั้นเราก็ทราบแล้วว่ากรรมกับอกอันเดียวกันคือที่เกิดของจิต น, นั่นเอง จิตสร้างการเกิดหรือไปรับรู้เรื่องใดปุ๊บนั้นคือพบเกิดหรือกรเกิดอันเดียวกันใช้ไหมเราได้ความกระจ่างมากขึ้นแล้วนั่นคือเมื่คือสถานที่เกิดของจิตดังนั้นจิตีสร้างการเกิดตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เราคิดเลื่อนเลื่อนอะไรเนี่ยจิตหรือวิญญาณสร้างการเกิดพระองค์อราสอธิบายอีกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําเริถึงสิ่งใด หรืออิจิตปักหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ด้วยการตั้งอยู่ของวิญญาณเดียวคิดเรื่องอะไรก็ต่างวิญญาณไปตั้งกระใสนะแล้วนั้นขณะที่เราทิ้เกินกับความชั่วนานขณะนั้นวิญญาณไม่ได้อยู่ในกายเราแล้วนะวิญญาณาาาปไปอยู่กับนามธรรมหรือความิตพบเกิดแล้วไปอยู่อีกคำที่โยมบอกว่าพบสถานที่เกิดของจิตแม้เวลาช่วรัทธิมือเดียว ก็น้าหลังเกียจเหมือนมูคูดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกลาบได้นะเมื่อเปื้นตัวแล้วจะต้องลีล้างให้เช็ดออกให้ไวที่สุดนะดังนั้นจิตยังไปสร้างการเกิดแม้นิดเดียวนี่แคบอกหน้าหลังเกียจที่สุดเลยนะนะเราให้เรารู้หลักว่าในการหลุจต้นเนี่ยจิต ค, คิดอะไรเนี่ยนั่นคือภพกเกิดแล้วและต้องรังกภพให้ไวที่สุด หลักการเป็นอย่างดังนั้นเมื่อเราละความคิดทุกความคิดยังไม่ได้นะักวันนี้ผู้เจ้าจึงจัดอยู่ของความคิดให้ละก่อนเช่นความคิดที่เป็นอกษษษุศลต้องรีบละก่อนนะ <c oughs> ความคิดทุกความคิดจะเปลียนเหมือนมูฟคูดนะเพื่อนเราละ แ, แต่ถ้าเป็นความคิดอกษษุศลผู้เจ้าอุบมาแรงกว่านั้นอีกนิดหนึ่ ง, ง, งเปลี่ยนเหมือนไฟกําลังลุกไหม้เสื้อผ้าของเรา หรือไฟไหม้ผมคนศีรษะของเราก็ถามสาวกเคยจะทำอย่างไรถ้าไฟไหม้เซลล์ตาเลยเสร็จไหมยงทำอย่างไรนะรีบจับใช่ไ้มจะถูกต้องพระเจ้าบอกฉันใดก็จังนั้นคือต้องใช้ฉันทั้ะคือความพอใจว่าอย่าวไหมคือความเห็นตุสาหัสคือความพยายามคือส่วนไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปิวานีความเพียรอย่างไม่หลกลับสติสมบัตญยะเพื่อจะรักษาคุณสมบัเสียโดยดวล ที่พระตถาคนตั้งใจดังนั้นเวลายโยกคิอกุศลขึ้นมาจะโกรธใครเปลียดให้พยาบาทใครอาฆาตมากหลายขาดลุกคนคนฆ่าคีอเราเพราะนั่นคือวิญญาณเรากําลังเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในอเป็นสบ า, ายนะใช่ไหมโยมเกลียดขึ้อนอีกขึ้นอีกคนกําลังมีความสุข <c oughs> เขาไม่ได้ตกตะละึแต่เราตกตะละึงใช่ไหมคนฆ่าคีอเราดังนั้นที่มีประโยชนย์ในการที่จะไปคิดอคุศลนะ และคนที่ต้องมีบดับคือเรานะตอ้องรีบรตกษาสุขส่วนให้ไวที่สุดวิธีละาง่ายๆก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจตั้งไว้ซึ่งกายพัาตาสติกายนี้พระองค์เปรีบเหมือนเสาขึ้นเสาหลังของจิตต้องตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์จัดไว้กายพตาสติเปรียบเหมือนเสาขึสหล อี่ปลจับสัตว์6ชนิดมาปลูกเื่อเชื่อมโยวกับเสาเขื่อนสหลักดานบจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขทิ้จอกจับลิงพอมากูพอปล่อยไปทุกสัตว์6ชนิดที่มันก็จะยื้อยู่ชุดกันไปเข้าที่หาที่อาศัยของตนงูจะก่อจองปลวกจระเข้จะลงน้ำมุกจะบินขึ้นไปในกาดนะสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขทิ้จอบจะไปป่าช้าลิงจะไปป่า มันฉุดไปฉุดมาที่สุดมันก็หมดแลงต้องกลับมานั่งเจ้ารอนใจที่เสาเปล่งสาไหลดแรงฉันใดก็ฉันใดอ้าคุณโศนกำแพงเกิดขึ้นจะต้องรีบรักรักรักรักรักรักอารมณ์ให้เยือกสุดแหลกที่สุดไ้ก็ไม่ก็จะหมดแรงที่เทียวจะสงบวิ่งอยู่กับกายลมโยวก็จะรู้ลมหายใจไหลเข้าไหลออกเป็นปกติมากขึ้นแต่เมื่เวลาเราเจริญอานาปานสติแรก อารมณ์ต่างาๆก็จะชุดเราไปชุดไ ป, ไปตาจะชุดเอาพิสูจไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกผินอัดขยักข ย, ะยะันหูจะชุดเอาพิสูจไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกผิดอัดขยักข ย, ขยมีคนไม่อดทนต่ออารมณ์หรือรูปเสียงอื่นลดสัมผัสเป็นผู้ที่ไม่สมควรได้มาซึ่งสมาธิต้องดอดทนและเสียงเป็นเส้นหนามหรือเป็นอุปสรรคต่อปัตโนมัติ อย่จะลำคาญเสียงนั่งเสียงมอไซค์แป้งเป็นเหมืนคนนู้คุยคนนี้นั่นนีลำคานเสียงไอ้นี่จะไม่ได้สมาธิโยมต้องไม่สนใจเราตัวนะสนใจแต่ลมหายใจเขาออกเราต้องอดทนอดทนต่อสัมผัสที่มากระทบทางอายจารณะห้าของกายแล้วจะทำสมาธิได้นี้ไม่ใส่ใจ วันวันหนึ่งคุณจะทําสมาธินานขนาดไหนเนี่ยคุณก็ขอน้อยมากวันวันหนึ่งเนี่ยขอแค่เวลาชั่วลัทธิหนึ่งเือนอานิ้มือขอเข้ามาั้นนีลัทธิหนึงือมีอุปมาหลายเรื่องบอกถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปณสติแม้ชั่วการเพียงลัทธิหนึ่งือรองกล่าวว่าเป็นผู้ไม่เห็นหากจากชาทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามครูว่า ไม่ฉันกินบาตรของชาวแป๊บแป๊บกลับจะป่วยกล่าไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำมากซึ่งอานาจารย์ิ่งันเราทิ่งคำน่าจริงดีแต่ขอไม่น้อยแค่เวลารับเพียงเดียวและขอให้ทวาวาลาศเวลาดังนั้นถ้าเรามีข้องนะมีห้องําสมาธิเนี่ยเราพากันทำํำบาสาศเวลาอย่างรัถาคตแนะนําเช้ามาก่อนเข้าทํางานก็ รัดมือมือเป็นหน้ามสูดลมหายใจเข้าออกเอกสัองสาคัญไปได้เลยรับมือเลยนะจังหวัดเข้าไปเล่าหนึงนะคล้ายละหมาดเหมือนกันนนะลยะมานันเขาละหมาดเรามีรู้ลมหายใจช่วรัดมืตอนเย็นก่อนกลับบ้านมาไล่ในห้าสมาธิสักตั้งสติขึ้นมา วันนี้เราทำอะไรวันคืนล่วนไปอึ่งไปบัดนี้เรากาลังทำอะไรวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆคนที่นั่งในห้องนี้วันคืนผ่านไปก็หายไปละคนเป็นคนคนเหือที่นั่งฟังธรรมาใต้ถุนศาลาชีวิตสาก็หายจะหลายคนนะครัไป ไปงานสมนหลายหลายรายนะนี่มาเช้าก็อขอึ้นมาบอกขึ้นไปหนึ่งรายแต่บอกว่าหลานสาวไม่อ่านพุทธพจน์ให้ฝังตลอดจนกระทั่งสิ้นชีวิตเสร็จ น, นะก็ได้ฟังข้อสุตที่าตตามาตรฐากพจน์กับไปว่านะอันนี้สงของผู้ที่ได้ยินได้ฟังทำตาตรฐาคพจก่อนสิ้นชีวิต ถ้าอย่างมะสังโยธาไม่ได้จะลักได้ถ้ามะสังโยธาได้แล้วจะได้เป็นพรนะามดังนั้นเนี่ยใครมีญาติใครจะเสียชีวิตหรือก่อนตายอ่านทุนกขศนให้ฟังตลอดนะจนกระทั่งสิ้ น, นลมพระพุทธเจ้ามองออกแล้วว่าคนที่กําลังใครจะเสียชีวิตอินทรีย์ของเราจะเท่มแข็งขอให้ได้ฟังคําพุทธเจ้าสับจากความปีงส ก, กิดเป็นนิจเปลี่ยวรรบรรลุธรรมแน่นอน <c oughs> อย่าเลยเวลา น, นั้นโยนต้องฉกฉวยเวลาโอกาสนะโอกาสอทองนี้แล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าลายนะนะที่บอกก็ทํานึตายสมบมูรณใบหน้ายิ้มสีหน้าติอนะเหมือนกับพระสูตรที่ตัดกับพระปัทตนนะตัด ก, กับพระอนนท์เรื่องพระปัทตนพระปัทตกนาตกนากลังเสียชีวิตเจ็บป่วยทุรนทุรายที่เจ้าก็เข้าไปหนาะบอกปัทุนนทนไหวไหมบอกทนไม่ไหว เจ็บปวดมากปนะวดท้องมากปวดหัวมากบอกทุะปุณ น, นไม่เป็นไรตั้งใจฟังธรรมนั้น <c oughs> พระปุณธก็พยายามทูตนะเจ้าก็บรรยายทําไปเสร็จแล้วก็กลับไปพระอนุบอกว่าหลังจากพระสถานโคตกลับไปได้ไม่นานพระปุณธก็ทําการหกแต่ชีวีวันของใสยน่งนั้นทูตเจ้าบอกอาน์ไม่ของใสได้อย่างไรปุณธก่อนได้ฟังธรรมนั้น ยังรัสั่งโยธาไม่ได้ยังเป็นคนธรรมดาแต่หลังจากฟังธรรมะของเราแล้วเนข้ามาสั่งโยธาได้แล้วก็คือได้เป็นอนาคาวีบุตรอินทร์กับอานนทว่าอา น, นะนนท์นะอานิสงส์ระการของผู้ที่ได้ฟังคํรสถานพจนก่อนสิน้นชีว <c oughs> ีตหรคนธรรมดาเลยเนะคนธรรมดาอา น, นิสงส์ <c oughs> ถ้าได้ฟังธรรมสถานพจน์ก่อนสิน้นชีวิ จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้ารัศยนยธาไม่ได้จะรักได้กลุ่มที่2องถ้ารัศยโยธาได้รักจะได้เป็นป้านะในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะเหมือนกันคือหนึ่งได้ฟังจากพ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าโดยโตรงสองได้ฟังจากที่สาวก น, นําคําศาสดามาถ่ยโยมไปนั่งอ่านหรือเปิดซีดีที่ทูตจะนัดให้เขาฟังนะอย่างที่สามเนี่ยตัวมันต้องได้รู้บแห่งธรรมของสถานทูตได้เอง าลลสามลักษณะนี้ได้ให้สงเหมือนกันทั้งสอถูกสามสาลักษณะเหมือนกันถ้าร่งางสัตว์โยธาไม่ได้จะรับได้ถ้ารับได้แล้วจะได้เป็นกล้าลห น, นี่เหมือนวิธีหลักเลยนะไม่รู้เราเป็นใครก็ตามกอดตายอาจคออก็จะนะั่นตายเวันนี้มีลบแจกเก็บไวด้ดีในสิ่งทุกข์ก็านดน้คำตถาคต ร, รุวน เรือี้นหน่อยวันนี้มาแต่งแก้กรรมในนี้จะมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมเรื่องแปลอีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมนท่าคนบางคทกรรมดีับเร็วอย่างดีกันได้คนเหือนกันปรากฏว่าไม่เหมือนกันได้เหมือนกันมีท้เหมือนังหือนที่เหปัจจัยกรรมที่แต่ละคนสร้าง เช่นข้สสุดหนึ่งนางมิกสาลาบอกผู้เจ้าบอกข้านะเราผู้เจ้าพยาามกอดหิวเนนะีย <c oughs> พ่อของนางมิกสารายนี่ยไปพยายามกพ่อ น, นางมิกสารายกับพื่งพ่อ น, นางมิคาซาราไปเกิดเป็นสกัดอาคาราามีผลเหมือนกันนะได้กายเป็นดุสิตเท่ากันนางมิกสาราบอกว่าจะเป็นไปได้ พ่อนาเนี่ยเขานะนะตุคมปมจันนะแต่เนระืนะ่องพ่อนาเนี่ยแค่รักษาศีลห้ายิ่ปีในภรรยาของตนสองคนในสร้างเกตุัจจัยไม่เหมือนกันแล้วมันจะไปเกิดที่เดียวกันได้ยังไง พ, พระยายชญากรยินแน่เลยถนะ้าอนนก็ยินอย่าง น, นาาั้นรางฐาโชระชญากรไว้อย่างนั้นะแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดยังไงนะเก็บไว้ก่อนนะจําคําถามนี้ไปถามพระพุทธเจา้า บอกว่านิากระสารายผู้มาเยี่ยมผู้เจ้าว่าอย่างไรผู้เจ้าก็บอกว่าอันนนิกรสาราเป็นใครตถาคตเป็นใครยาในการรู้ความที่ไม่หยอนแห่งสีของบุคคลตถาคตผู้เดี่ยวกมานจะดู <c oughs> แล้วก็เลยตัดเรื่องของการการประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลอย่าไปประเมินตถาคตผู้เดี่ยว ไม่ก็ระสุนคจะเป็นคําตอบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอมเปลียนเหมือนการใส่เกลือลงไปเดี๋ยวมาเกลือห่อนหนึ่งใส่ลงในแก้วนะ้ำเอาเกลือมา ห, อห่อหนึ่งมาใส่ลงในแก้วนะ้ําเค็มไหมเค็มแน่เลยนะทดสอบความเค็มกัน อ, อันนี้เอาเกลือจำนวนเท่ากันเนี่ย ไปใส่ลงในแนะนําคงคาแนะนําคงคาเค็มมั้ยมีที่เจ้าคุมมาเองเหตุปัจจัยแต่ละส่วนไม่เข้ากันแต่เมื่อคนคุยมาเนี่ยผู้จ้ามองทางคนสร้างเหตุปัจจัยมาดีมั้ยเลยยิ่งเดียวจะบรรลุเลยโอ้ถ้าไปฆ้าแม่เนาะเสร็จลนะเลยผู้จ้าจริงจิงเข้าไปช่วยนะได้เห็นว่ามันมีเหตุพอที่จะช่วย พี่ฆ่าคนมาเข้าร้อยกว่าคนถ้าเป็นเราพยากรณก็ไปนรกแน่นอ น, น, น, นใช่ไหมไม่พลาดแน่นอนรกแน่นอนแต่องค์คือมาสมเป็นพระราชาเห็นไหมถ้าจริงๆเราวัดกรรมกันในชาติไม่แค่ชาติเดียวยังไม่ได้เห็นองค์คนนี้ทุกศิลําทำไปทําไม่ดีคนนี้ไปไม่ดีแน่นอนไม่แน่อดีตเขอาจจะทํมาดีมากกว่าเราเยอะแยะมากมาย นี้จริงประเมินยากมากบุคคลมีประเมินไม่ได้นี่คือหลักของกรรมอีกอย่างนึ่งดังนั้นการทํากรรมอย่างเดียวกันอาจจะให้ผลไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าอินสีห้าของคนต่างกันดันั้นเวลาโยนคนนี้ทําไมรับการเมงคนนี้รวยโอ้รวยเอาเลยเอาคนนี้ฆ่าใส่กลายเป็นแสนเป็นล้านตัวรวยเอารวย ดีตเขาดีมาบ้าซึ่งเราไม่ทราบเนะีดังนั้นการวัดดีเร็วของคนไม่ได้วัดเป็นแค่ชาติเดียววัดกัหลายชาติอย่างยูอาจไปเจอคนบางคนที่ทําไมเข้าใจธรรมะเร็วจังเขา อ, อาจเป็นโสตบัญ ท, ที่เกิดมาแล้วสี่ชาติก็ได้นะ่านะเป็นผู้เกิดชาติเกิดมาแล้วสี่ชาติหรือสามชาติเนะี่ยทำไมคนนี้มันเข้าใจธรรมะเร็วจัง แล้วเตปัจจัยเกาเอาอย่าพกนี้ถ้ายังโสดาบันเนี่ยก็แตกแล้วเป็นผู้มีทํามันไม่สือ่อมนะแต่สิ่งทงั้งหลายในโลกแม้แต่มหาปูถธ่าสี่ยังสื่อไปได้แต่ความเป็นโสดาบันไม่มีเสื่มัน่นคงเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยก่อนสิ้นลมยแต่โสดาบันก็ได้อย่างน้อยโสดาปฏิมาโสดาปฏิมา ทุจริตธรรมะเป็นอย่างไรทุจริบอกว่า ม, มีความเชื่อน้องจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของวิธีมันคงอยู่ตรงนี้คงตรงนี้เนี่ยแค่มีความเชื่อมีศรัทธาตรงนี้จิตน้องไปเพ้่อตรงนี้เนี่ยทุจริตบอกจิตของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สมถะที่ยามระบบเป็นความถูกต้อง ก, ก้าวเข้าพ้นปูจจานภู ข้าสู่ภูมิไม่อาจจะกระทำกรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนร ก, กนในแรนชั้นเป็นวิสัยได้และไม่คนที่จะทํากรรมนั้นคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาบันปฏิบัตก่อนตายไ่ได้โสดาบันโสดาปฏิบัติได้ห้อยดังนั้นคุณธรรความเป็นพระโสดาบัน่รวมไม่ได้ขั้งสิบกว่านัยยัง่ง ช่วยเข้าไปศึกษาคําของศาสนาถ้าอยู่มีคุณสมบัติแล้วถึงจะค่อยประเมินว่าความเป็นโซลารันนะัพอจะไหวไหมเพราะนั้นะนะอย่าเพิ่งไปคิดก่อนว่าไม่ไหวคงจะสูงเกินไปเลยอ่านคุณสมบัติสักก่อนนะนะแล้วจะได้ออกมาตรวจสอบนะเออเราก็พอจะเข้าเกณฑ์เข้าได้เหมือนกันเพราะ <c oughs> นั้น ยัอยู่ความนิ่งใส่อันอย่างโร้มันไม่หวั่นไหวในร่ากานั้นเลตรงนี้มองแล้วเหมือนเหมือนมันง่ายแต่มันยากเมนกันเลยโยมกลบไวไหวบูชารับพุทธธรรมก็สมมันยังไม่เพีงพออนี้โยกลบาวไหวทุกวันเลยโยมบอกว่าโยมมั่นคงเลยไม่เปี่ยนแปลงแน่นอนแต่ วัตถโกลตุระมงคลเราก็พอแถมด้วยคนไม่เชื่ออย่าลงดูแล้วก็เอาเหมือนกันนะวันไวนะที่ปรับตรงนี้หน่อยสิเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงทำตรงนี้หน่อยสงสัยจริงเหมือนกันเนาะนะอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันนะบางทีเราอยากได้โสดาบันเหมือนกันนะแต่เราก็วางวางความเห็น ที่เป็นศีลระดับปรามาไม่ได้ความรูปความในศีลก็ศีลก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาที่มันไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดๆได้หรือว่าไปเข้าสู่ยุ่งชาติที่ว่ากรรมเป็นจับผู้ปิดบรรดายงขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่หูป้าสามสีมีสารเพงตายโ ย, ยงก็ปิดแตกปิ้งทักทายหน่อนเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวมันทำให้เราล้ชน เดมันมาแกล้งเราทำให้เราปวยเดี๋ยว่วงเดี๋ยวนี้เราต้องไม่มีไฟบันดาลอะไรให้ไฟเป็นอะไรหยุดนั่นคะือวิชาที่ผีแตกที่หนึ่งนะซึ่งเมื่อเกิดวิชาที่ผีแตกนี้แล้วเนี <c oughs> ่ยน่าชบอกมนุษย์กจนนั้นมาก <c oughs> เมื่อถูกภัยหรือความตัวคุกคามแล้วย่อมถิอเอาสวนป่าศักดิ์สิทธิ์บ้างป่าไม้บ้างลุกเเจดีบ้างเป็นสนาระมั่นไม่ใช่ส า, าระอันเกษตรนันไม่ใช่ที่พึ่งพันสูงสุด เขาเอาศสที่พิ่งแบบนั้แล้วไม่อันคนไปจากความทุกข์ได้ดังนั้นก็ต้องวบกับมาที่พี่ยงทายสาธยายทําเนี่ยต้นชัวโมงนะนะว่าธรรมวินัยคือศาสนาแทนคือองค์แทนของรัฐถากฎต่อไปโดยการที่พระองค์ร่วมรับไปแล้วนะดังนั้นให้เราเนี่ยเข้าใจว่าตัวแทนของพ ร, ระพุมธพระพเจ้าคือเนื้อธรรมะ ที่ออกจากปากนั่นเองพวกเราทั้งหลายเนะี่ยเป็นโอรสผลเกิดจากปากของกระถางคตกระถางคนพูดธรรมนออกมานะฟังด้วยหูทำความเข้าใจเอาไปให้ปวดทนาดุพจ น, น์ได้อนุาสาวรีปฏิหารปฏิหารคือทำเทศศรพวกเราทั้งหลายเป็นทายายทโดยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า เราทั้งหลายเป็นทายาทแห่งธรรมของพระศาสดาทุกคนเนี่ยเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจาถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าสมณะสักยับุตติยบุตรของสมณะในสาักยตะกุณเนี่ยดังนั้นเราที่ต้องดำรงคำสอนของรัตตาคุฏเอาไว้ มีที่บอกมามีอะไรสงสัยไหมในประเด็นต่อนี้อีขับปัจจยตาปฏิจจสุปาอริสัตถีมันเกี่ยวข้องกันยังไงเนาะพอเชื่อมโยงกันได้ไหมเดี๋ยวจะเชื่อมโยงให้เข้าใจนะไม่นานเข้าใจแน่นอน ยงท่องอริสสีได้ใช่ไหมซูมไทยนี่โรดมากใช่ไหม <c oughs> ปฏิจ้าสุบาทท่องได้ไหมไม่ได้อิท่าเมตตาท่องไม่ได้นะนหลังก็ไม่ท่องนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเจ็ดัวแปดัวว่าท่องได้หมดแล้วมาสร้างเยาวชนได้จำนวนมาก ข้อศิษย์กสูญเนี่ความสําคัญของคํำก็ต่งตตางกันได้อย่างคล่องแควคล่องกฎอิทัปิปฏิยาได้ค้องปฏิจจสุป่าได้นะ <c oughs> ให้ลอดูให้ลอดูอิทัปิปฏิยานิดหนึ่งนี่คือกฎอิทัปิปฏิยานี่สีบ่บรรทัดเองนะสีบ่บรรทัดที่อิทธิปฏิยาเอาลางดูปฏิจจสุป่า นี่ปฏิจจสมุปาสายเกิดที่เหตุเกิดขึ้นของสังตายนี่เหตุเกิดขึ้นของสังตายแล้วก็ดูปฏิจจสมุปาสายดำปฏิจจสายดบ <c oughs> ปฏิจจสายเกิดเนี่ยนะทุกสมุทัยที่โนกมมาปฏิจจาสายเกิดคือตัวสมุทยัยเวลาผูา้เจากับอภิษสสี่อย่างละเอียด องตัตัวสมุทัยข้อที่สองนี่ยโดยเอาปฏิฏิจิยาสายเกิดยใส่เข้าไปทั้งก้องเลยเข้าใจหในตัวสมุทยัยและเวลาจะพูดเรื่องนิโรธนะนะีทุกสมุทัยนิโรธข้อที่ 3. าของอริสสาทีจะใส่ปฏิกิริยสุบาทสายดับเข้าไปไปดูสายดับ น, นี่ยใส่เข้าไปทั้งก้องในข้อที่สเวลาอธิบายดังนั้น ปฏิจจสุบาสายเกิดและสายดับคือการอธิบายอาริสัตตสีในส่วนข้อที่สองและข้อที่สามเลยสมุทัยกันยโลกเหตุเกิดของทุกทุกอย่างยิ่งคือความตายเหตุเกิดของความตายมีมาได้อ ย, อย่างไรและเหตุดับของความตายมีมาได้อ ย, อย่างไรแค่นี้เองเรื่องปฏิจจนะทีนี้ <c oughs> ในปฏิจจเนี่ยมันจะมีรายละเอียดคืออิทัพปัจจยตา อินทัพเปรตตาที่เราสร้างเมื่อกี้ลรงไปดูอินทัพเปรตตาอีกหนึ่งอีนทัพเปรตตาสีมันทัดเองผมต้องฟ้ได้นะต้องฟ้องได้ใสไปจะมอดอิทัพเปรตตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยังไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสีมันดับ ไม<ส>่ได้ทีนี้จำให้ดีๆนะ <c oughs> สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอะไรมีนะที <c oughs> นี้ไปดูปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวเรามาดูค ว, วามการสายที่เรารู้จักกันดีคือภกษาสัมผัสทางตาหุเราดูนะเวทานาสุขทุกข์เฉยๆเรารู้จักตัณหาความอยากรู้จักอุปาทานรู้จักอาลองดู เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแหงผัสสะเวทนาจึงดับไปเวลาเราไปเดินข้างซื้อของมีใครเดินหลับตาไหม ลิงตาเขาต้องการอัตสารใช่ไหมจะซื้อซีดีมาฟันต้องใช้ภัษาทั้งทีใ่ไหอัตสารเกิดปั๊บเนี่ยตาสัมผัสเห็นกระเป๋าพอใจสัมผัสเกิดพอใจเกิดตัณหาความอยากตรงไหมอัตสารเกิดเวทนาเกิดตัณหามีเหมือนกันทุกคนเลยพร้อ้เป็นมันม ก, ก็แล้วกันขอนีตามีหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจทุกคนจะมีอาการอย่างนี้เหมือนกัน ผู้ทั้งคุณจะนับถึงนัทพิจารณาความเห็นความเชื่อใดก็ตามอาจารยนั้นจะเหืนนอนขนมเลยแบบนี้หัดสังปุจะ เ, เกิดเวทนาก็เกิเวทนากุจะ เ, เกิดตัญหาตามมานะนะจากตัญหาก็จะ เ, เกะเเิดอุปทานความยึดนะก่อนจะยึดจะมีอการจริตอีกเก้าอาการอีกเพราะมีตัญหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปลงใจรักกำลังด้วยความพอใจเซลล์กัจบจับใจจะมีวงกานเรืเรเ่องราวเกิจาการ ดังนั้นเวลาโยมมีความอยากเพือเดียวก็จะแสวงหานะและมีการได้จ่ายเงินซื้อกระเป๋าฉันแต่กวาดกระเป๋าห้างตอนนี้กระเป๋าฉันถ้ากระเป๋าห้างหายโยมไม่พูดกระเป๋าโยมหายโยมเกิดทุกข์ทานนะนะดังนั้นโยมจะยึดถึงความเชื่อใดก็ตามในโลกมีเหมือนได้หมดเลยดังนั้นใครใครเป็นผู้ทำนัดต่างศาสนาโยมเอาเรื่องปฏิจจสมุทัไปคุย มันจะเป็นมาตรฐานการที่ไม่มีใครในโลกปฏิเสธได้อาตมาเอาตรงนี้ไปคุยกับอิสลามกับพุทธก็เข้าใจอิสลามก็ยอมรับไปที่ใบเฟฟตกบางนาอาตมาตัวแทนพุทธีตัวแทนพิอิสศาลมคนฝังเท่าร้อยคนคุยอิสลามตัวแทนอิสลามชอบมากในสั่งทีวีอิสลามเหยียดไทยเหยียดว้ฒองเอาไปออกผู้โลกไปนะั้นนะ พอเาตรวจหน้าที่มันจริงตานั้นเอออิสระรก็ยอมรับธรรมะยอมรับผู้เจ้าจึงบอกว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่สมณะปราบเทวมารคงใดๆไม่สามารถขับงานิสติเตดีวยวคุณจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นยักษ์หน้าคนตาอสูรมีอาการเด็กนีเหมือนกับเหมือนในคู่โลกนั้นเล่นแปลกั้มดังนั้นมาเป็นสายเด็ด ปจิณจงสุมาจึงประกอบไปด้วยปิทักปัจจยตาแต่ละผู้แต่ละครู่อสานจะเกิดเวทนาพอมาเวทนาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเวทนามีตัณหาจึงดีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อไม่มีเพราะการดับไปเวทนาตัณหาจึงดับไปตัณหามีการเกิดตัวตนตัวตนเกิดภพภพเกิดชาติชาติเกิดตาย ชาติเป็นเหตุให้ความตายมีขึ้นดังนั้นถ้าชาติไม่มีเวรประการทั้งปวงความตายจะไม่เกิดเกิดความตายจะดำไม่เ้เพราความตายเกิดมาจากเหตุผลมันตกว่าะอะไรเพราะมันมีเมฆถ้าโยนทําให้เมฆกดไปจัดร่วงฝนไม่มีแน่ใะนั้นเข้าไปดำเหตุเหมือนกันตายมีเพราะเกิดและเกิดมีเพราะอะไรคือพบสถานที่เกิด ถ้ามีพ บ, บสถานที่เกิดนะัดังนั้นถ้าโยนดับสถานที่เกิดได้ชาติก็ไม่มีตายก็จะไม่มีพบเมื่อกี้อธิบายไปแล้วคือวิญญาณหายเข้าไปรับรู้รู้ทุกเป็นพส ท, ทันทีนั่นะดังนั้นเวลาจิตคิดเรื่องอะไรว่าผู้เชี่ยวจบอกทิ้หม่ไมด้สุ่และการเกิดจะไม่ไดีเป็นอย่างนี่นเป็นเหตุผลในเรื่องของปฏิจจสมบาตการเข้าไปดับที่เกิดนั่นะแต่ผลมันจะ นั้นพระคาถาคตเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายทํายังไงจะไม่ต้องตายต่อนะเรานั้งกันอู่ทุกวันนี้ตายกันเรื่อนะไม่วันตายก็วันหนึ่งนะนะดังนั้นทุกคนต้องรู้ข้อมูลนี้ไวจับไว้ที่ดีกในใจเอาไว้ใช้เวลาปัญหานี้ประสบขึ้นกับตัวเองนะตัวของเราทุกคนซึ่งมีแน่นอนวันใดวันหนึ่งในอน า, าคตดับการเกิดของจิต ยังดับไม่่า้เอาแค่วไวที่สุดก็พอจิตไปเกิดทุกพยายามวางละนันทีละนันทีนนทไปเลยโยนนอนอุ่ยในโรงบรานอนละนันทีละความเลยละความเลยิตรู้ลงไม่ใจเก้าไปไม่ต้องจาอะไรรู้ลมข้า ง, ง ก, <c oughs> กายยัคตาสติอุจ <c oughs> จางะร็วว่ากายยัคตาสติอันชนเหล่าดั้ไม่หลุด <c oughs> อมาตะ์ื่่ว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลด ถ้าโยมไม่ดึงเอาจิตอยู่กับกายโยมจะไม่ดึมมงธรรมตาโยมจะ ไ, ได้ธรรชนเหล่ากาบริโภคใจยันตอากาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคธมตาใครเอาจิตมาอยู่กับกายคนคนนั้นกําลังได้ธรรมตาหรือความนิพพานี่หลักง่ายแค่นี้ดังนั้นวันนี้มาสอนหลักสัส้นๆง่ายพุทธวจนะที่เป็นสัจจ์ความตรงความจริง อย่างไรที่เรานําไปปฏิบัติได้เน่ยตั้งสี่ส่วนกายวิญญาณขันต์บอกยูปบอกเวทนาสัญญาสัญญามันสร้างการเกิดทั้งสี่ขันต์เอามามาสร้างการเกิดในขันต์ขันเดียวคือกายแล้วเวทนามันจะไปสร้างการเกิดในนมามธรรมที่สารตัวที่เหลือเนี่ยรียวันซะทำเรื่องนี้เราไม่ต้องทําอะไ ร, ระนอกานที่โรงยาบาล เวลามัไปเกิดแต่และอันเราก็จะเห็นการเกิดการดับเห็นอริสัต์ของความจิตสมรรถิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เขยนพูดกับไหนเข้าพูดกันได้อยา่างแสบแสบยังหเห็นการเกิดดับตลอดเวลขาขณะที่โยอนองค์จิตอยู่บนหล่ใจท่านเจ้าเมิ้งค์คือกําลังทําความจิตเผากิเลสกาลังเผากิเลสอยู่ตอนเผาอะไรเผาปัญหาคือความอยากที่มันอยากจะไปสร้างหกอีกสามตัว น, นะภาวะปัญหา ต่างหากคือความอยากเขาว่าถูกลบความอยากในการเข้าไปเกาะจะถูกเลาอยู่ตลอดเวลา น, น, นั้นเวลาจิตยอมอยู่อปรมณ์ใจมันจึงไม่ยากอยู่จิตจะไปรุนร้อนรุนี้แต่พอยอมทาให้มันอยู่ได้โอ้โหไม่ได้ธรรมดาแค่ยอมให้จิตอยู่ตรงนี้ได้ที่สุดยอดมากเลยและขนาดจิตมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับให้ยอมเห็นนะเราจะเข้าพัานการเปลี่ยนแปลงของจิต ทำแค่นี้หลักการปฏิบัติไม่มีอะไรพบจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อพบเกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> การเกิดใหม่จะไม่มีจิตจะหมดอโยอนจิตเกาะอยู่กายได้เกาะปล่อยสามขันธ์ที่เหลื อ, อยู่ตลอดเวลานในที่สุดเนี่ยเมื่อกายแตกทําลายกายตัวนี้แตกทํำลายปุ๊บวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะปลุกพ้นไปก็ไม่สามารถสร้างรูปหนหหหาที่ละได้ผู้จ้าอธิบายเนี่ย พระพุทองบอกว่าวิญญาณอยู่เดี่ยวเไี่ยวได้วิ ญ, ญาณจะต้องอาศัยรู่เวทนาสัญญาสังขารทันได้คันหนึ่งเป็นที่ต้องอาศัยเสมอเปรียบเหมือนแสงกับฉายเกิดขึ้นพร้อมกันดับดับพร้อมกันนะหลักเป็นเป็นอย่างนี้ดังนั้นทํำยังไงก็ได้ไม่ให้จิตเราเนี่ยไปเกาะ อ, อะไรอันดับแรกมาเกาะเหงืกกายก่อนเรารักอีกสามฐานที่เหลือนะถารักยังได้ยังไม่ได้หมดละอุปสนไปก่อน ถ้าละอุปสมลทได้มากแล้วเข้ามาฝึกละอุปสมบทไปเรื่อยๆทำแค่นี้ก็ทํำไปเป็นสิปีแล้วต้องใช้ความเพียรทำมากแต่ให้สร้าบวาหมักการเป็นอย่างนี้และเมื่อกายแต่ทําลายภูมิปัญญาณจะหลุดพ้น ท, ทัีนี่คือวิธีเขาวินแบบที่พระศาสนอธิบายเอาไว้พระ <c oughs> องค์บอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณ โดยปราศจากอันตรายเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราสามารถทําให้จิตไม่เป็นเกิดในสามนามธรรมที่เหลือสุดท้ายเมื่อกายแตทําลายปั๊บเนี่ยวิญญาณจะหลุดพ้นทันทีและเมื่อวิญญาณหลุดพ้นจะกลับเข้าสู่สภาวะเดิมของตัวเองก็คือวิบูเทียนขณะขที่ยังไม่หลุดพ้น สภาวะนี้ที่มานลงยึดถึาเจะถูกเรียกว่าอะไรรีบตอบอไหมใครเป็นคนท่องเที่ยวไปในสัตวสภาวะใครเป็นคนท่องเที่ยวไปวิญญาณโยมบอกว่าวิญญาณใช่ไหมยมบอกว่าสั ต, ตว์เนี่ยข้ถามก บ, บอกว่าสัตว์เป็นผู้ท่องเที่ยวไปในไป ถ้าไปพูดว่าวิญญาณเป็นผู้ท่องเที่ยวไปเั่นงไปในโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นใน ส, สังคมชื่อว่าเป็นโมฆบรับถูกตำหนิเป็นอันมากน ะ, ะกลายเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราได้ยินตั้งแต่เด็กเลยว่าวิญญาณบินไหวใจเกิดคำนี้พัะศาสดาไม่เคยพูดออกจากปากมีเรื่องใหญ่คือ <laughs> แล้วใครเป็นคนเรียนไหว้ตายเกิดจะถ่ายทอดแบบนี้ว่านิส <c oughs> สุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องปุ่นเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวเล่นจากโลกนิสสุโลกบางคราวเล่นจากโลกี้สุโลกนี้เพราะความที่ทำไม่รู้ซึ่งอริสัตย์ทั้งสี่นเองดังนั้นถ้าอยู่ผู้โลกวิญญาณเรียนไหว้ตายเกิดจะถูกตําหนิเหมือนกับสาติว่า สติเคยชื่ว่าย่อมกล่าวดูเราโด้วยค่อยคำที่ตนเองคือออกผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่ดุลเป็นอันมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยให้เป็นอะไรด้วยข้ะนั้นจะเป็นเป็พื่อความทุกข์ไม่เพื่อคูแก่เกลือยตลอดกาลนานนั่นเพราะมันจะทําให้ยอมเข้าใจคือว่าจิตของเราหรือวิญญาณหรือใจของเรานี้เป็นนิจจังอยู่ตลอดเป็นคนไปพบนั้นพบนี้ไปนั้นไปนี้ตลอดท่านที่จริงๆแล้ววิญญาณขาดในจิตเรา เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเาแม้ท่นอยู่ตอนนี้วิญญาณทก็เกิดดับอยูตลอดเวลาวิญ ญ, ญาณเป็นของเกิดดับไม่ใช่เป็นริษยาไม่ได้เป็นตัวตนตลอดกาลแต่ผู้ที่อยู่ตลอดกาลคือสัตตานันสัตมาลีใช้คําว่าสัตตาสัตตาหรือสัตตานันสัตตานันเป็นผู้ทั่นไปท่องเที่ยวไปในสัตสว์สวัที่สัตใหม่นะสำหรับชาวพุทธ ที่ยังไม่ได้ศึกษาพิทศกษณะสัต์นี้จะเป็นศัตว์ใหม่แยมมากเพราะว่าสาวกที่ไม่ได้ศึกษาคําพระตฐานพจน์จะไม่รู้จักสัตตานันแน่นอนน ะ, ะและจะเข้าใจผิดคิดว่าวิญญาณเป็นผู้บีวิญญายเกิดไปนิ่งนะแล้วคํำว่าสัตว์เนี่ยผู้ช <c oughs> ้างให้ยามไว้ชัดเจน <c oughs> ชัดเจน <c oughs> ปรามพะไปถามรัตฐาคตบอกว่า คำว่าสตัตว์คำว่าสตัตว์มีด้านยุทธเหตเพงเท่าไร่พระเจ้าคข้าผู้เจ้าตรัสว่าอย่างไรจำในิยามตรงนี้มาดีๆไม่กี่บรรดาอิทธทําคำผู้เจ้านะบอกราคะความพอใจอันใดปราคะอันใดนะตัณหาอันใดนันที่อันใดนะนะที่มีอยู่ในรูเปเวทางงานาสัญญาสังขารวิญญาตบอกราคะการติดแล้วการหองแล้วซึ่งสิ่งนั้นจริงหรือไม่กสัตว์ ที่อยู่ไปเผินไปพอใจไปหยาดในขันง์ห้ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาเพลินพอใจหลงยึดขันธ์ห้าติดแล้วพ้องแล้วในการธาห้าสิ่งนี้เรียกว่าสัตว์อันนี้ให้เห็นภาพรวมนะมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้แหละมันคือสิ่งสิ่งหครูเจ้าเรียกมันว่าสิ่งสิ่งขณะที่สิ่งสิ่งหนึ่งเนี้ยมาหลงยึดขันธ์ห้าข้อเหนือวิชาจะถูกเรียกว่าสัตตา์ัา ขนาที่ได้สำับในธรรมของพระคาถาพศึกษามรเมื่อ8จนธรรวิชาหมดไฟวิชาเกิดขึ้นแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิุูปียัญชนษษะผู้รู้ในอินทร แ, และสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะมีคุณสมบัติ ต, าต่างกับนะขันธ้านะขันธ์ห้าเนี่ยจะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อต้องอยู่มีภาวะอื่นปรากฏส่วนสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการสือ่อเมื่อต้องอยู่ไม่มีภาวะให้อื่นปรากฏนี่คือสามคุณสมบัติที่ต่างกัน ตรงมันข้ามมนเลยนะของขันท่ากับดินนะดนั้นใช้ตําแน่งเจึงบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลทุนจู้แจ่มมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่พวกเราทําหปคนเข้าไปดูแจ้มเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถิงได้โดยรอบจะมีในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไฟลมไม่มีของแข็งของเหลวพลังงาน ในสิ่งนั้นยี่งไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ยาไม่ยา้ดังาะั้นโยมไม่สา ม, มารถอธิบายสิ่งสิ่งหนึ่งนี้นนได้เพราะการจะอธิบายการบัญญัติการเลื่อะไรก็ตามมันจะต้องมีการเกิดปรากฏโยมจะบัญญัติดอกไม้ต้องมีดอกไม้บัญญัติปุ๋มต้องมีปุ๋บัญญัติอนุอกรมอนุกรมโมเลกุลต้องมีสิ่งนั้นสินี้อินโฟมันเกิดปรากฏ แต่ถ้าเกิดไม่ปรากฏแล้วการบัญญัติมีขึ้นไี่ ไ, ได้ดังนั้นการที่มนุษย์บัญญัติอะไรก็ตามจะเรื่องจะผู้ก็ตางบัญญัติภายใต้เกิดปรากฏทีสิ่งแต่สิ่งสิ่งหนึ่งนี้เกิดไม่ปรากฏดังนั้นจึงไม่สามารถบัญญัติอะไรกัน ไ, ได้ก า, ารญญกญญกบัญญัติสิ่งที่บัญญัติไม่ได้นี้วิธีบัญญัติก็คือบัญญัติภายใต้สิ่งที่บัญญัติได้ว่าสิ่งที่บัญญัติได้คือดินน้ำไปเลยไม่มีในน ความกว้างาวเล็กสั้นใหญ่ยาวไม่ห่างที่เรารู้จักไม่มีในที่อยู่วิธีบัญญัติของพรงพุทธเจ้าของเรามีประเด็นตามๆอะไรเนคุณศาาจารย์จะเป็นคถามเรามีถึงวุฒเสบกข้อนะครับเนื่องจากเวลาร่วงเลยมาระดับเน่นะครับก็จะพอ สั่งนครบาคำถามที่ที่เกี่ยวเรื่องโราศาสท์ที่เหือนกันนะคืเราชอบเป็นหอนะักสสข้อเพราะว่าแต่ว่าคำถามทั้งหมดสิบข้อเดี๋ยวเราจะโพสต์ลงไปในเว็บนะครับเราจะตอบให้จะส่งให้ใ้ารแล้วก็จะตอบก็ส่งขอสักาคถามนะครับคาแรกนะครับโราศาสร์หรือรูปชาตานะเดียดวหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับกรรมในพุาสาหรือเปล่าครับ การดูดวงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรเชื่อถึงหอ่าอ๋อไม่ไม่เกี่ยวยมันเลย <c oughs> นะเดนานเนี่ยไม่มีผลตะเรามีแต่เราเนี่ไปมีผลตทุกวงดาวคุณได้บอกท่าคนพู้สิธิ์เนี่ยจะให้จะทำให้ดวงดาวเนี่ยคโคจรแปรปรวนไปอย่างเราเราปล่อยมนตว่าบเป็นทิศออกไปโลกจนเป็น ปฏิกิริยาเลนจ่ตจบอะไรก็ตามที่บาดนะจะทําให้ดวงดาวเนี่ยเดินประสารสายที่ดู้นารจะแปลกปวนพืชพันธุนนะ์ธรรมชาจะสูดแก๊สไม่สม่ำเสมอมนุษย์จะกินผลไม้ที่สูดแก๊สไม่สม่ำเสมอทําให้เกิดการทุกข์ปรภาพและอายุสัน้นที่คือเหตุปัจจัยของการอายุสั้นและทุกข์ปรภาพของมนุษย์ก็คือการผิดศีลการผิดศีลแล้วทําให้ระบบของดวงดาวแปรปวดังนั้นดวงดาวเนี่ยไม่มีผลต่อเราเนี่ยมีผลต่อดวงดาวนะ กับกันนั้น่ั้อยั้งนั้นเรื่องเรื่องการบูรพ์ดว a อะไรเนี่ยมันจะมันจะไปเข้าข่ายของบุ้ชมที่ยังยึดถืออุปันานุทิกับอปรันตานุทิปีอุปันานุทิคือความเห็นปาันในืองต้นอยากาและอปรันตานุทิปีคือความเห็นาหันใบลอยากนซึ่งสความเห็นนี้พระโสดาบันตรั ยาเป็นส่นหนาบาวางเรื่องพวนี้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอดูจะตกงานนี่แหละเป็นความจริงนะโยมแต่โยมมั่นใจว่าคุณเจ้าเก่งที่สุดในโยมบามันอี่นไปได้เลยขออีกคำถามานคึคะชีวิตที่มีความสุขสบายดีแล้วไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนทุกใจอะไรเราจะมา่งกรรยังไงคะเราจะมเรื่องกัรยังไง มันยังไม่รวยสบายดีนะครับยังไม่ได้องเป็นความสุขดีไม่วยตอนแล้วจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่สดใสใช่ไหมครับนะก็เลยแต่เป็นที่ดีหน่อยเป็นเรื่องของม้าอาจารย์หน่บางคนเนี่ยได้ยินเขาเกิดแก่เจ็บตายก็ปฏิบัติเท่าบางคนต้องได้เห็น บางคนต้องแยกพี่น้องใกล้ๆตัวคนละบางคนต้องตัวเองจะรับทุกเปลี่ยนใจหรือจะรู้สึกเนีายสงสัยจะเข้าใจผู้ที่สีต้องพุกเีปลตายเองก็แับละ เป็นตามาแสดงธรรให้เห็นตาตัว ก, วาา ก, กไ็ได้รับความกรุณาจากพราจารย์ข้างแล้วก็เกิดขอะนุญา์มีข้างติดต่อไปด้วยนะครับขอขอนุคาณขอบกาจารย์ด้วย ค, ครันก็ อ, อ, อ, อนุโมทนากับพวกเราทุกค น, นที่ได้มาฟังธรรมนะที่เป็นผู้ชนะ คือคำที่ออกจากปากของรัตถานพโทตโยทรงที่ได้รับการถ่ายทอดจากสมณศักยปฏิยัติุู้หนึ่งเมือสมาณนี้ก็ขอให้ปัจจัยตรงนี้เป็นปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญผู้นึงในชีวิตที่เกัสิ่งใดก็ให้สมาเรณ์สมความปรารถนาที่สุดก็ขอให้ได้ดงใจทำสมรณ์มรรผลอุาานในหน้าพิการใกล้ชที่มาการพารทุกคน ต่าไปเดี๋เรากลับมาานอาจารย์ในการบริการที่ผนมาอีกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรู้